ปานี้เป็นที่นำมาคือเป็นสื่อเห็นความตรึกในเรื่องกางบ้างเรื่องพยาบาทบ้างเรื่องเบียดเบียนบ้างวิตกทั้งสามนี้เมื่อจะตั้งลงก็ตั้งลงในกายนี้การกําหนดใจประหารกามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกเรียกว่าปหานสัญญาเมื่อประหารได้แล้ว ความกำนัดพอใจในสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำลัดพอใจก็คลายลงพอใจในการที่จะสํำรอกราคะเสียเรียกว่าวิราคสัญญาการดับกิเลสทั้งมวลให้ประสบความสงบเยือกเย็นได้เรียกว่านิโรธความพอใจกําหนดในนิโรธนั้นเรียกว่านิโรธสัญญาความรู้สึกว่า โลกนี้เป็นที่ตั้งแห่งความวุ่นวายนานาประการหาความสงบสุขได้ยากไม่เพียงแต่โลกนี้เท่านั้นแม้โลกทั้งปวงก็ตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันร้อนระอุอยู่โดยเพลิงภายในคือกิเลสแล้วไม่ปรารถนาโลกไหนๆเรียกว่าสัพพโลกเก อ, อนะพิระตะสัญญาการกำหนดใจไม่ปรารถนาสังขารทั้งปวงไม่ว่า จะมีใจคลองหรือไม่มีใจคลองก็ตามไม่ยึดมั่นถือมัน่นปล่อยวางซึ่งสิ่งที่เคยยึดถือไว้ย่อมประสบความเบากายเบาใจเหมือนขนปลงภาระหนากรงเสียการกำหนดใจดังนี้เรียกว่าสัพพสังขาเรสุ อ, อนิทสัญญาหรืออนิจจสัญญาการกำหนดวมให้ใจเข้าและออกมีสติตั้งไว้ที่ลมให้ใจ เมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่ายาวเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าสั้นทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาการมราคะและความหลงไหลเรียกว่าอาณาปานสติพระกิริมานนัทะได้ทรงกระแสจิตไปตามธรรมบัญญายของพระ อ, อ น, นุนรู้สึกทราบซึ่งปิติปลาโมทเกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาแห่งธรรมโมทชปัญญา สามารถข่มอาภาธหนักเสียได้ท่านหายจากอาภาทนั้นได้ฟังสัญญาสิบประการจากพระพุทธอุชานอกจากบรรบชิตแล้วยังมีคฤหัสถ์อีกมากหลายซึ่งพระอนตน์ได้ช่วยเหลือในยามเจ็บป่วยเป็นต้นว่าท่านอนาถปินธิกะเศรษฐีและขหบดีนามว่าสิริวัฒนาชาวเมืองราจคลึและขหบดีนามว่ามารณินะ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 จึงเท่ากับช่วยกําจัดศัตรูของจิตพระบรมศาสดาและพระพุทธอนุชาอน์นั้นเป็นกัลยาณมิตรแห่งมวลชนเป็นที่พึ่งได้ทั้งทางกายและทางจิตจะหากัลยาณมิตรใดเล่าเสมอเหมือนหรือยิ่งกว่าท่านผู้ทรงคุณอันประเสริฐสองท่านนี้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 ทำตั้งแต่ตอนเช้าจนถึงเที่ยงอาบน้ําในเวลาเย็นเพื่อล้างบาปอันอาจจะเกิดขึ้นในเวลาหลังจากเที่ยงน้ําที่จะอาบนั้นต้องเป็นน้ําในแม่น้ํำคงคาโดยถือว่าน้ําในแม่น้ํำคงคาไหลมาจากแดนสวรรค์ผ่านเสียนพระศิวะผู้เป็นเจ้ามาแล้วน้ําในแม่น้ํำคงคาไม่เพียงแต่ล้างบาปอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าสามารถบําบัดโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วย และเมื่ออาบน้ําในแม่น้ํำคงคาทุกวันตายแล้วย่อมไปสู่สวรรค์ได้สถิตอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าด้วยเหตุนี้จึงเป็นของธรรมดาที่จะมองเห็นอยู่ที่และผู้บําเพ็ญพจนิกายต่างๆทั้งสองฝั่งแม่น้ํำคงคาตอนเหนือแถบภูเขาหิมาลัยได้ทรมานตนอยู่ในวิธีต่างๆแปลกๆตามแต่ว่าตนจะเห็นว่าอย่างไหนดีและสามารถเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าได้ บางพวกนอนบนหนามบางพวกคลุกตัวด้วยขี่เท้าบางพวกยืนยกขาข้างเดียวอ้าปากกินลมชมจันทร์บางพวกยืนเอามือเหนียวกิ่งไม้จนเล็บยาวยาวออกมาแทบจะทะลุหลังมือบางพวกบูชาไฟบูชาพระอาทิตย์แต่ก็มีอยู่ไม่น้อยที่โยกขีบางพวกบำเพ็ญเพียรทางจิตจนได้บรรลุฌานขั้นต่าง สามารถมองเห็นเหตุการณ์ทั้งอดีตอนาคตเหมือนประสบมาเองบางคนสามารถได้เจโตปริยญาณคือรู้วาระจิตของผู้อื่นตอบปัญหาได้โดยที่ผู้ถามเพียงต่นึกถามอยู่ในใจเท่านั้น อาโน์ได้เห็นสังฆารวารามผู้ถือการลงอาบน้ำในแม่น้ำคงคาเป็นอาจินวัตอย่งนั้นแล้วจึงมากราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์ผู้เจริญสังฆารวารามเวลานี้อยู่ในวัยชรามีอธัธยาศัยงามพอสนทนาได้อยู่แต่อาศัยความเชื่อถือเก่าๆท่านจึงยังมองไม่เห็นทางปฏิบัติที่ถูกต้องขอพระผู้มีพระภาคจงอาศัยพระมหากรุณา เสด็จไปโปรดสังฆารว่าพราหมณ์สักครั้งเถิดพระพุทธองค์ทรงรับอารัตนาของ อ, อนลด้วยอาการดุษนีวันรุ่งขึ้นเสด็จไปสู่นิเวศของพราหมณ์นั้นเสมือนเสด็จเยี่ยมอย่างธรรมดาเมื่อสมโมตนียกถาล่วงไปแล้วพระพุทธองค์จึงตรัสว่าพรามณ์เวลานี้ท่านยังอาบน้ำดำกล่าวในแม่น้ำคงคาวันละสามครั้งอยู่หรือยังทาอยู่พระเจ้าค่ะ ท่านเห็นประโยชน์อย่างไรนะพราหมณ์จึงต้องอาบน้ำดเกล้าวเฉพาะแต่ในแม่น้ำคงคาเท่านั้นที่อื่นจะอาบได้หรือไม่ที่ตถาคตถามนี้ถามเพื่อต้องการความรู้ความเห็นเท่านั้นอย่าหาว่าตถาคตละลาประลวงในเรื่องส่วนตัวเลยพระโคโดมผู้เจริญข้าพเจ้าได้รับฟังมาตั้งแต่อายุยังยาวว่าแม่น้ำคงคา น, นเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์สามารถชาระบาปบนทินทั้งปวงได้ เพราะว่าใ่หลายผ่านเสียนพระศิวะผู้เป็นเจ้าลงมาเป็นแม่คงคาสวรรค์ข้าพเจ้าจึงเลื่อมใสและปฏิบัติตามบุรพชนซึ่งเคยถือปฏิบัติกันมาและข้าพเจ้าเชื่อว่าสามารถชำระบาปได้จริงๆพราหมณ์ขอให้ท่านนึกว่าเราสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกันเนถิดทถาคตขอถามท่านว่าบาปบนทินนั้นอยู่ที่กายหรือว่าอยู่ที่ใจ อยู่ที่ใจซีพระโคโดมเมื่อบาปบนทินอยู่ที่ใจการลงอาบน้ําชําระกายน้ํานั้นจะสามารถซึมซาบลงไปถึงใจได้หรือแต่แต่พระโคโดมต้องไม่ลืมว่าน้ํานั้นไม่ใช่น้ําธรรมดาเป็นน้ํำศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าสามารถล้างมนทินภายในได้ท่านคิดว่าความเชื่อสามารถเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงซึ่งมีอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้ว ให้เป็นอีกอย่างหนึ่งตามที่เราเชื่อนั้นหรือเป็นไปนไม่ได้พระโคโดมความเชื่อไม่อาจปิดเบือนความจริงได้ความจริงย่อมทรงตัวของมันอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามเป็นอันท่านยอมรับว่าความเชื่อไม่อาจไปบิดเบือนความจริงได้ก็การที่ท่านเชื่อว่าแม่น้ำคงคาสามารถล้างบาปบนทินภายในได้นั้น มันจะเป็นความจริงอย่างที่ท่านเชื่อหรือดูก่อนพราหม์อุปมาเหมือนบุรุษผู้หลงทางในป่าแล้วบ่ายหน้าไปทางทิศหนึ่งซึ่งตนเข้าใจว่าเป็นทิศตะวันออกแต่ว่าความเป็นจริงนั้นเป็นทิศตะวันตกความเชื่อของเขาไม่อาจจะไปเปลี่ยนทิศตะวันตกให้เป็นทิศตะวันออกได้ฉันใดความเชื่อของพรามณ์เป็นอันมากที่เชื่อว่าแม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ สามารถล้างบาปได้นั้นก็ไม่อาจทําให้แม่น้ํานั้นล้างบาปได้จริงเลยจึงชวนกันเข้าใจผิดเหมือนกับบุรุษผู้หลงทางในป่านั้นดูก่อนพราหมณ์เปรียบเสมือนบุรุษผู้หนึ่งมีหม้อทองแดงอยู่ใบหนึ่งมันเปื้อนเปื้อที่สิ่งปฏิกูลทั้งภายในและภายนอกเขาพยายามชําระล้างด้วยน้ําจํานวนมากแต่ว่าล้างเฉพาะภายนอกเท่านั้นหาได้ล้างภายในไม่ท่านคิดว่า สิ่งปฏิกูลภายในจะพลอยหมดไปด้วยหรือเป็นไปไม่ได้เลยพระโคดมผู้เจริญปุรุษผู้นั้นย่อมเหนื่อยแรงเปล่าไม่อาจทําให้ภายในหม้อสะอาดได้สิ่งโสกปลกเคยเกะกลังอยู่อย่างไรก็คงอยู่อย่างเดิมดูก่อนพราหมณ์แล้วกล่าวกายทุจริตวจีทุจริตและมโ น, โนทุจริตว่าเป็นสิ่งที่ทําให้จิตใจโสกปลก แต่ก็สามารถชำระได้โดยธรรมคือความสุจริตไม่ใช่โดยการอาบน้ําธรรมดาน้ำเดิมของบุ้คลผู้มีกายสุจริตแล้ววจีสุจริตและมโนสุจริตแล้วย่อมเป็นน้ําที่ศักดิ์สิทธิ์ไปในตัวแล้วนี่แหละพราหม์มาเถิดมาอาบน้ําในธรรมวินัยของเรานี้ซึ่งลึกซึ้งสะอาดไม่ขุนมัวมีศีลเป็นท่าลงบัณฑิตสันเสริญ เป็นที่ที่ผู้รู้นิยมอาบกันอาบแล้วข้ามฝั่งได้โดยที่ตัวเองไม่เปียกเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้พราหมณ์กล่าวด้วยความเบิกบานใจว่าแจมแจ้งจริงพระโคโดมแจมแจ้งจริงเหมือนหายของที่ควา่าเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนที่หลงทางส่องประทีบในที่มืดให้ผู้มีในตาดีได้เห็นรูป ข้าพระพุทธเจ้าขอปฏิญาณตนเป็นอุบาสกถึงพระพุทธองค์พร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์เป็นผู้นำทางตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถ้าอนุชาเป็นผู้ที่มีน้ำใจปรารถนาความสุขความสําเร็จแก่ผู้อื่นในฐานะที่พอช่วยเหลือได้ดังได้กล่าวมาแล้วนี้คุณธรรมอีกประการหนึ่งของท่านที่น่าประทับใจยิ่งนักก็คือมีควา ม, ามเคารพยำเกรงต่อพระเทระผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐซึ่งพระศาสดาทรงยกย่องแล้วมีพระสารีบุตรและพระมหากัสสปะเป็นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากัสสปะนั้น พระอนุลไม่กลา้าแม้แต่จะเอ่ยชื่อของท่านคราวหนึ่งพระมาหากษัตริยจะเป็นอุปช้ายะให้อุปสมบทแก่กคนบุตรผู้หนึ่งจึงส่งทูตไปนิมนต์พระอนุลเพื่อสวดอนุสาวนาคือสวดประกาศเพื่อขอความยินยอมจากสง์ในการสวดนี้จะต้องระบุชื่ออุปช้ายะด้วยพระอนุลไม่รับท่านอ้างว่าท่านไม่สามารถเอ่ยชื่อพระมาหากษัตริยต่อหน้าท่านได้ เพราะผู้มีพระภาคทรงทราบเรื่องนี้แล้วจึงทรงบัญญัติให้สวดอนุสาวนาระบุชื่อโกรธกันได้อีกครั้งหนึ่งท่านมีหน้าที่ต้องให้โอวาดภิกษุณีท่านขอร้องวิงวอนให้พระมหากัสสปะไปกับท่านเพื่อให้โอวาดแก่ภิกษุณีแทนท่านเพราะเห็นว่าพระมหากัสสปะเป็นนักปฏิบัติที่เคร่งครัดโอวาทของท่านคงจะเป็นประโยชน์แก่ภิกษุณีผู้ใไข่ต่อการปฏิบัติ พระมาหากรสปะปฏิเสธ ถ, ถึงสองครั้งเมื่อพระ อ, อ น, นุนอ้อนวอนเป็นครั้งที่สท่านจึงไปไปอย่างขัดพระ อ, อ น, นุ์ไม่ได้โดยปกตินั้นท่านเป็นผู้ที่อยู่ปาไม่ชอบคลุกคลีด้วยหมู่คณะเมื่อถึงสำนักภิกษุณีและให้อาวาาพอสมควรแล้วท่านก็ลากลับต่อมาท่านได้ทราบว่าภิกษุณีรูปหนึ่งติเตียนท่านว่าพระมาหากสปะ ไม่น่าจะกล่าวทาต่อหน้าเวเทหมุนีคือนักปราดอย่างเช่นพระอนุนเลยการกระทำเช่นนั้นเหมือนพ่อค้าขายเข็มนำเข็มมาขายแกในช่างผู้ทมเข็มช่างหน้าหัวเราะพระมหากรสปะกล่าวกับพระอนุนว่าอา น, นุนเธอหรือว่าเรากันแน่ที่ควรจะเป็นพ่อค้าขายเข็มก็พระาศาสดาเคยยกย่องเธอบ้างหรือว่ามีวิหารธรรม คือทำเป็นเครื่องอยู่ประจําวันเสมอด้วยพระองค์แต่เรานี่แหละพระศ า, าสดายกย่องในท่ามกลางสงฆ์ว่ามีธรรมเสมอด้วยพระองค์เช่นเดียวกับที่ทรงยกย่องพระสารีบุตรว่าสามารถแสดงธรรมได้เสมอด้วยพระองค์ท่านผู้เจริญพระนนท์กล่าวด้วยเสียงเรียบปกติอย่าคิดอะไรเลยสตรีบางคนนั้นอาจจะขาดเหตุผล พูดพร้อยๆไปอย่างนั้นเองการที่พระมหากัสปะกล่าวกับพระ อ, อ น, นุ์อย่างนั้นม่ใช่เพราะว่าท่านน้อยใจหรือว่าเสียใจในการที่ภิกษุณีกล่าวดูหมิ่นท่านแต่ท่านกล่าวด้วยคิดว่าคําพูดของท่านคงจะถึงภิกษุณีและเธอจะได้สำเนืกตนแล้วกลับความคิดเห็นเสียและการที่ภิกษุณีกล่าวเช่นนั้นเป็นการไม่สมควร จะเกิดโทษและทุกข์แก่เธอเองด้วยจิตคิดจะเอาลูเคราะห์อย่างนี้พระมหากษัตริยจึงกล่าวอย่างนั้นโดยความเป็นจริงแล้วพระมหากษัตริยมีความสนิทสนมและกรุณาพระอนุลย์ยิ่งนักกล่าวกันว่าแม้พระอนุ์จะมีอายุย่างขวัยชราเกาหงอกแล้วแต่พระมหากษัตริยก็เรียกท่านว่าเด็กน้อยอยู่เสมอพระอนุ์เล่าก็ประพฤติตนน่ารักซิจริงๆ คราวหนึ่งมีพราหมณ์ผู้หนึ่งเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาทูลว่าสำหรับพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกนั้ น, นเขาได้บูชาแล้วด้วยการถวายอาหารบ้างถวายเครื่องนงหอมและเครื่องใช้บ้างเวลานี้เขาต้องการจะบูชาพระธรรมควรจะทําอย่างไรจึงจะเรียกว่าบูชาพระธรรมพระาศาสดาตรัสให้บูชาภิกษุผู้เป็นพระสู่ทรงธรรมเขาจึงทูลถามว่า ก็ใครเล่าเป็นพระหูสูงทรงธรรมพระผู้มีประภาครับสั่งให้พราหมณ์ไปถามภิกษุทั้งหลายเมื่อพราหมณ์ไปถามภิกษุทั้งหลายก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้ที่เป็นพระหูสูงทรงธรรมดังกล่าวนั้นก็คือพระอนุนพุทธาอนุชาพราหมณ์จึงได้ น, นําจีวรไปถวายพระอนุนเป็นการบูชาพระธรรมพระอนุนจึงเป็นพระสาวกที่เป็นองค์แทนธรรมรัตนะ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 ซึ่งมีชื่อว่าอัชปาลิโกรทรงปริวิตรกว่าผู้ไม่มีที่พึ่งอยู่ลำบากผู้ไม่มีที่เคารพที่เกรงใจก็อยู่ลำบากก็พระองค์จะถือใครเป็นที่เคารพยามเกรงได้ทรงตรวจดูบุคคลทั้งหลายที่พระองค์จะพึงเคารพยามเกรงแต่ไม่ทรงเห็นใครที่เสมอเดืพระองค์หรือยิ่งกว่าพระองค์ในเรื่องศีลสมาธิปัญญา วิมุตต์และวิปุติยานัทสนะแต่ยังทรงตรหนักอยู่ว่าผู้ไม่มีที่พึ่งที่เคารพยำเกรงย่อมอยู่ลำบากพระองค์ควรจะมีใครหรืออะไรหนอเป็นที่เคารพในที่สุดก็ทรงมองเห็นพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นั่นแลว่าเป็นธรรมที่ปราณีตลรึกซึ้งควรแก่การเคารพพระพุทธองค์จึงทรงอธิษฐานพระไถย คือเอาธรำรเป็นที่เคารพแห่งพระองค์พราะธรรมจึงเป็นสิ่งที่สูงสุดแม้พระพุทธเจ้าเองก็ยังส่งเคารพกล่าวโดยรวบยอดพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์จะต่างกันก็แต่เพียงชื่อเท่านั้นโดยส่วนเนื้อหาแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแยกออกจากกันไม่ได้เปรียบเสมือนแก้วหรือเพชรสามเหลี่ยมซึ่งอาศัยอยู่ในเม็ดเดียวกันนั่นเอง พระธรรมเป็นความจริงซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติเป็นกฎแห่งความจริงซึ่งมีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงผู้ค้นพบกฎแห่งความจริงนั้นแล้วนำมาตีแผ่ชี้แจงแสดงเปิดเผยพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติตามพระธรรมและรักษาพระธรรมส่งทํำไว้และแสดงต่อต่อกันมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกเหมือนผู้รับช่วงดวงประทีป สำหรับสองทางแห่งมวลมนุษย์ผู้สัญจรอยู่ในป่าแห่งชีวิตนี้ นั่นนั่งพักอยู่ณที่พักกลางวันท่านมีความคิดขึ้นว่าพระศาสดาเคยตรัสเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหลายพระองค์เช่นเรื่องมาดาบิดาของพระพุทธเจ้าองค์นั้ น, น, นเรื่องกําหนดพระชนมายุเรื่องการตรัสรู้เรื่องสาวกศาสนาเรื่องอัคราสาวกตลอดถึงเรื่องอุปถาตแต่เรื่องอุโบสถของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสให้ทราบเลยอุโบสถของพระพุทธเจ้าองค์คก่อนจะเหมือนกับองค์ของพระศาสดาของเราหรือไม่หนอเมื่อท่านสงสัยดังนี้จึงเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ทูลถามข้อความนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ากำหนดอุโบสถของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ไม่เหมือนกันเช่นโอวาเทปาติโม คือพระอโอวาทที่เป็นหลักของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เหมือนกันทั้งสิ้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าวิปัสสีทรงกระทําอุโบสถเจปีต่อหนึ่งครั้งทั้งนี้เพราะพระองค์วาทที่ทรงประทานวันหนึ่งเพียงพอสําหรับเจปีส่วนพระศรีขีและพระเวสสภูสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกระทําอุโบสถ6ปีต่อหนึ่งครั้ง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนาว่ากกุสันทะและโกนาคมณะทรงกระทำปีละครั้งพระกสปะทศพลทรงกระทำทุกๆุห ก, กเดือนส่วนพระองค์เองทรงกระทำทุกๆุกสิบห้าวันการเวลาที่กําหนดทำอุโบสถแตกต่างกันอยู่อย่างนี้แต่พระโอวาทนั้นเหมือนทุกๆุกประการดังนี้ตอนแรก ได้ทรงแสดงหลักทั่วๆไปว่าตีติขาขันติคือความอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์ที่มายยั่วาวให้โลภให้โกรธและให้หลงอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้อื่นจัดเป็นตะปะธรรมยอดยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่าพระนิพพานเป็นบรมธรรมคือจุดหมายปลายทางแห่งการประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์ผู้บวชแล้วแต่ยังเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนอยู่ หาชื่อว่าสมณะผู้สงบไม่ตอนที่สองทรงวางแนวทางแห่งการสอนพระพุทธศาสนาว่าศาสนาของพระองค์สันเสริญการไม่ทำชั่วและสันเสริญการทำความดียกย่องการทำจิตให้ผ่องใสสะอาดเพราะฉะนั้นการสอนธรรมจึงมุ่งกหาจุดทั้งสามจุดนี้กล่าวคือพูดให้เขาเห็นโทษของความชั่ว ให้เห็นคุณของความดีและการทำใจให้ผ่องแผ้วประการหลังเป็นจุดมุ่งหมายที่สูงสุดแห่งพรหมจรรย์ตอนที่สทรงกำหนดคุณสมบัติของผู้เผยแผ่ว่าต้องไม่ว่าร้ายใครเผยแผ่ศาสนาโดยไม่ต้องรุ ก, กรานใครต้องไม่เบียดเบียนเข้นข่าผู้ที่ไม่เชื่อถือไม่ข่มเหงใครต้องสารวมระวังในศิขาบทปาติโมกสารวมตนด้วยดี ทำตนให้เป็นตัวอย่างในทางสงบต้องไม่เห็นแก่ปาแก่ท้องรักษากิจศักดิ์ศักดิ์ศรีแห่งสมณะไว้ต้องอยู่ในที่สงบสงัดไม่จูนจ่านพลุกพล่านต้องประกอบความเพียรทางจิตอยู่เสมอเพื่อละอกุศลธรรมที่ยังไม่ได้ละเพื่อบำเพ็ญกุศลที่ยังไม่ได้ทำให้เจริญขึ้นโดยที่โอวาตปาติโมกคือพระโอวาติหลักใหญ่ของรู้แต่เจ้าทุกพระองค์เหมือนกัน และลงกันได้ยางสนิทอย่างนี้เองพระคันธรัชนาจารย์ผู้รจชนาคำพีจึงได้กล่าวโดวยปุคลาทิฐานไว้ว่าเมื่อพระสากะยะมุนีสเสวยข้าวมาัุุปายาตของนางสุชาดาในตอนเช้าแห่งวันเพ็ญเดือนวิสาขาดแล้วพระองค์ได้นำถาดทองคำที่ใส่ข้าวมรุุปายาตนั้นไปลอยเส้นในแม่น้ำในรัญชราถาดนั้นลอยทวนกระแสน้าไปหน่อยหนึ่งแล้วก็จมไป ไปซ้อนกับถาดของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเสียงดังกริก๊กพญานาคราชซึ่งนอนหลับเป็นเวลานา น, านก็ตื่นขึ้นพลางนึกในใจว่าเร็วจริงยังนอนหลับไปเต็มที่เลยตื่นสะแล้วพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นอีกองหนึ่งแล้วมองดูถาดที่ลงไปซ้อนกันอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็หลับต่อไปพญานาคราชนี้ จะตื่นขึ้นเฉพาะเวลาที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเท่านั้นเรื่องนี้ถอดเป็นธรรมาทิฐานได้ความดังนี้ถาดทองคําเปรียบด้วยพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่ว่าลอยทวนกระแสนั้นหมายถึงลอยทวนกระแสจิตของคนธรรมดาสภาพจิตของคนมากไหลลื่นลงสู่ที่ต่ําคืออารมณ์อันน้าใคร่น่าพอใจ แต่ทาของพระพุทธองค์นั้นเน้นหนักไปทางให้ฝึกฝนจิตเพื่อละความคล่ละความพอใจละความเมาต่างๆจึงเรียกว่าทวนกระแสจิตดังที่พระองค์ทรงปรารภเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆและทรงนบิต ท, ที่จะโปรดเวนยสัตว์ว่าทาที่เราได้บรรลุแล้วนี้เลิกซึ่งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบพระณีตม่ใช่วิสัยแห่งตา ก, กะคือคิดเอาไม่ได้ หรือไม่ควรที่จะลงความเห็นด้วยการเดาแต่เป็นธรรมที่บดิตพอจะรู้ได้อันหนึ่งเล่าสัตว์ทั้งหลายส่วนมากยินดีในอะไรคือกามคุณสัตว์ผู้เห็นป่านั้นยากนักที่จะเห็นปฏิจจสมุ ป, ปบาทและพระนิพพานซึ่งมีสภาพบ่อคืนกิเลส ท, ทั้งมวลทำตัณหาให้สิน้นดับทุกข์เราจะพึงแสดงธรรมหรือไม่หนอถ้าแสดงไปแล้ว คนอื่นรู้ตาไม่ได้เราก็จะพึงละบากเปล่าโอ้ยาเลยยาประกาศธรรมที่เราได้บรรลุแล้วเลยธรรมนี้อันบุคคลผู้เพียบไปด้วยราคะโทสะจะรู้ได้โดยง่ายไม่ได้เลยบุคคลผู้ยังยินดีพอใจในกิเลสย้อมใจถูกวาเมื่อคือกิเลสพุ่มหอ่อจะไม่สามารถเห็นได้ซึ่งธรรมที่ทวนกระแสจิตละเอียดประณีต ลึกซึ้งเห็นได้ยากนี้ทรงดำริอย่างนี้แล้วจึงน้อมพระทัยไปเพื่อเป็นผู้อยู่สบายขวนขวายน้อยไม่ปราถนาจะแสดงธรรม พระกรุณาซึ่งฝังอยู่ในพระกะมลอันบริสุทธิ์มาเป็นเวลาช้านานตั้งแต่พระองค์ทรงปราถนาพุทธภูมิเพื่อขนเวนยศัตว์ให้ข้ามห่วงมหันรบคือความเกิดแก่เจ็บและตายได้เตือนพระไทยให้หวนระลึกถึงพระปฏิญญาซึ่งพระองค์ทรงให้ไว้แก่โลกพระไทยกรุณาได้ทูลพระองค์ว่าทำอันไม่บริสุทธิ์ที่คนมีมนฑินคิดกันปรากฏอยู่ในแคว้นมคตมานานแล้ว ขอพระองค์จงเปิดประตูเพื่อให้บุคคลเดินเข้าไปสู่แดนอมะตะเถิดคนทั้งหลายต้องการฟังธรรมซึ่งพระองค์ผู้ปลาสจากมนทินได้ตรัสรู้แล้วขอพระองค์ผู้ไม่เศร้าโศกมีปัญญาดีจงเสด็จขึ้นสู่ประสาทซึ่งสำเร็จด้วยธรรมแลมองดูหมูสัตว์ผู้ยังก้าวล่วงความโศกไม่ได้ถูกชาติราครอบงำคล่งคว อ, อยู่ พระองค์เป็นประดุจผู้ยืนอยู่บนยอดเขาสามารถมองเห็นหมู่ชนได้โดยรอบโปรดลุกขึ้นเถิดพระมหาวีระผู้ชนะสงครามภายในแล้วพระองค์ผู้ประดุจนายกองเกวียนผู้สามารถนำสัตว์ให้ข้ามห่วงอันตรายพระองค์เป็นผู้ไม่มีหนี้ขอจงเสด็จเที่ยวไปในโลกเถิดขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมเถิดผู้รู้ตามจักมีเป็นแน่แท้ พระผู้มีพระภาคทรงตรวจดูสัตวโลกโดยทิพยจักษุได้มองเห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีในจักษุคือกิเลสน้อยก็มีมากก็มีมีอินทรีย์แก่กล้าก็มีมีอินทรีย์อ่อนก็มีมีอาการดีบ้างอาการชั่วบ้างให้รู้ได้โดยง่ายบ้างให้รู้ได้โดยยากบ้างเหมือนกับบัวสี่เหล่าในสระน้าพระองค์จังทรงปราลาบกับพระองค์เอง ด้วยความการุณาในหมู่สัตว์ว่าเราได้เปิดประตูอมตะธรรมแล้วผู้อยากฟังจงเงียโสดลงฟังเถินที่แรกเราคิดว่าจะลำบากเปล่าจึงไม่คิดจะกล่าวธรรมที่ประณีตง่ายๆพญานาคนั้นเปรียบเดิมฤทธ์ทั้งหลายผู้ซึ่งโดยปกตินั้นหลับอยู่ด้วยกิเลสนิตราเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นและปลุกให้ตื่นก็ตื่นขึ้นชั่วระยะหนึ่ง แล้วแล้วก็หลับต่อไปสมัยหนึ่งพระอนุนได้เข้าสู่ที่ลีกเรนเพื่อหาความสงบโดยลําพังและตึกตรองธรรมท่านคิดว่ากลิ่นหอมแห่งไม้ที่เกิดจากแก่นก็ดีเกิดจากรากก็ดีเกิดจากดอกก็ดีล้วนแต่เป็นไปได้ตามลมเท่านั้นหาหอมทวนลมได้ไหมกลิ่นอะไรหนอที่สามารถหอมฟุ้งไปได้ทั้งตามลมและทวนลม เมื่อท่านไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองจึงเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ทูล ถ, ถามถึงปัญหาข้อนี้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอา น, นุ์กลิ่นดอกไม้กลิ่นจันทร์ไม่สามารถจะหอมทั่วลมได้แต่กลิ่นแห่งเกียรติคุณความดีงามของสัตบุรุษนั่นแลสามารถจะหอมไปได้ทั้งตามลมและทั่วนลมคนดีย่อมมีเกียรติขจรฟุ้งไปได้ทั่วทุกทิศ กลิ่นจันแดงกลิ่นอุบลกลิ่นดอกมะลิจัดว่าเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมแต่ยังสู้กลิ่นศีีไม่ได้กลิ่นศีลยอดเยี่ยมกว่ากลิ่นทั้งมวลอานอน์ศีีนี้มีความไม่ต้องเดือดร้อนใจเป็นผลเป็นอนิสงส์อานอน์เราเคยกล่าวกับพิสุทธทั้งหลายไว้ว่าถ้าภิสุ์หวังใช่เป็นที่รักที่เคารพนับถือเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรมจารีแล้ว ก็พึงเป็นผู้ทำตนให้สมบูรณ์ด้วยศีลเถิดดังนี้ ที่พึ่งอันประเสริฐของคนบุตรในศาสนานี้ก็คือศีลซึ่งใครๆไม่อาจจะกล่าวพรรณนาอานิสงฆ์ให้หมดสิ้นได้แม่น้ําใหญ่และแม่น้ําใดๆก็ตามไม่อาจชําระมนทินของสัตว์ในโลกนี้ได้แต่บุคคลสามารถชาระมนทินของตนได้ด้วยน้ําคือศีลอะไรเล่าจะสามารถระงับความ ร, าร่าเริงภายในของสัตว์ในโลกนี้ลมหรือฝนหรือจันทร์แดงหรือ แสงจันทร์อันยองใหญ่หรือเปล่าเลยสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถให้ความเร้าร้อนภายในสงบลงได้ศีลต่างหากเล่าที่สามารถช่วยบุคคลสงบเยือกเย็นกลิ่นอะไรเล่าจะหอมเสมอด้วยกลิ่นแห่งศีลซึ่งสามารถฟุ้งขจรกระจายไปได้ทั้งตามลมและทวนลมบันไดที่จะก้าวไปสู่ประตูสวรรค์และเข้าไปสู่นครคือพระนิพพานเสมอโดยบันไดคือศีล พระราชาผู้ประดับประดาในบุกดามนียังไม่สง่างามเหมือนนักพรตผู้ประดับเ้ืยออาภรณ์คือศีลศีล น, นี้คอยกำจัดภัยคือการติดเตียนตนเองเสียได้แล้วก่อให้เกิดความเอิบอิ่มร่าเริงภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์หมดมนทินจะทรงบา ท, ทรงชีวรก็ดูน่าเลื่อมใสการบรรพชาของภิกษุฉะนั้นเป็นสิ่งที่มีผล ผู้มีศีลบริสุทธิ์ย่อมมีจิตใจที่ผ่องแผ้วเพราะมองไม่เห็นโทษแห่งการทุศีลเหมือนพระอาทิตย์กำจัดความมืดฉะนั้นภิกษุผู้สง่าอยู่ในป่าคือตาปะเพราะความสมบูรณ์ด้วยศีลเหมือนพระจันทร์สองสว่างอยู่กลางฟ้ามีรัศมีชดช่วงเพียงแต่กลิ่นกายของภิกษุผู้มีศีลยังทําความปลาโมดแก่ทวยเทพทั้งหลายจะกล่าวใหญ่ถึงกลิ่นแห่งศีลเล่าสาการะแม่น้อย แต่ทายกทำแล้วในท่านผู้มีศีนย่อมอำนวยผลภัยศาลเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นเหมือนภาชนะสาหรับรองรับสการะของทายกจิตของผู้มีศีนย่อมแน่นไปสู่พระนิพพานอันเยือกเย็นเต็มที่มนุษย์ผู้หลงไหลยอยู่ในโลกียารมผสมต่อความบันเทิงสุขอันเนื่องมาจากความมึนเมาในทรัพย์สมบัติชาติตระกูลความหรูหราฟุ่มเฟือย ยศศักดิ์และเกียรติอันจอมปลอมในสังคมที่อยู่อาศัยอันสวยงามอาหารหรือเสื้อผ้า อ, าอรทร่ต้องใจอำนาจและความทนนงตนทั้งหมดนี้ทำให้บุคคลมีในตาฝ้าฟางมองไม่เห็นความงามแห่งพระธรรมความเมาในอำนาจเป็นแรงผลักดันที่มีพลังมากพอให้คนทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มีอำนาจยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นพร้อมๆกับ น, นั้น มันก็ทำให้เขาลืมทุกสิ่งทุกอย่างไม่แยแสต่อเสียงที่เรียกร้องของศิลธรรมหรือมโนธรรมใดๆมันจะค่อยๆระบายจิตของเขาให้ดำมืดไปทีละน้อยทีละน้อยจนไปสีมึกไม่อาจจะมองเห็นอะไรๆ ไ, ได้อีกเลยหัวใจที่เล่าร้อนอยู่แล้วของเขาถูกเร่งร้าวให้เราร้อนมากขึ้นด้วยความทยานอยากอันไม่มีขอบเขตไม่ทราบว่าจะไปสิ้นสุดลงที่ตรงไหน วัตถุอวิจิตตาการตานั้นช่วยเป็นเชื้อให้ความชยานอยากโหมแรงกลายเป็นว่ายิ่งมีมากก็ยิ่งอยากใหญ่แม้จะมีสิ่งที่เตือนได้เรียกร้องอยู่ตลอดเวลาว่าศีลธรรมเป็นเครื่องคำจุนสังคมและคุ้มครองโลกแต่มนุษย์ผู้รับรู้และพยายามประคับประคองศีลธรรมนั้นมีน้อยเกินไปสังคมมนุษย์จึงวุ่นวายและกรอบเกลี่ยอย่างน่าวบื ความพยายามต่างๆของมนุษย์เพื่อให้ได้มาถึงสันติภาพจึงไม่อาจบรรลุจุดประสงค์นั้นได้มีแต่ความวุ่นวายมากขึ้นเหนื่อยมากขึ้นผลที่ได้รับไม่คุ้มเหนื่อยถ้าเปรียบความพยายามเพื่อบรรลุสันติภาพนั้นเหมือนการค้าก็เป็นการค้าที่ขาดทุนอย่างมากทั้งนี้เพราะมนุษย์ได้เพิกเฉยต่อศีลธรรมเหยียบย่ำทำลายธรรมแสวงหาเกียรติและความมั่นคงโดยไม่คำนึงถึงศีลธรรมใดๆทั้งสิน้น ความทุกยากลำบากและความดิ้รนต่างๆของเพื่อนมนุษย์ซึ่งกระเสกกระสนไปได้วยดวงใจที่ว้าวเวไร้ความหวังรวมทั้งตัวอย่างชีวิตแห่งผู้ทุจริตคดโกงแล้วประสบภัยพิบัติในบ้านปลายน่าจะเป็นบทเรียนที่ดียิ่งแต่ว่าบุคคลผู้มุ่งแต่ความสุขสมราญของตนย่อมไม่อาจมองเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ พระอานนท์นี่เองเป็นผู้เดี่ยงเวยความสุขความสะดวกแก่ภิกษุในพุทธธ ร, รมาณสมัยคือการเมื่อพระพุทธองค์ยังทรงประชนรอยู่มาจนกระทั่งบัดนี้คือในเรื่องที่เกี่ยวกับจีวรกล่าวคือเครื่องนุ่งห่มของสมณะเดิมทีเดียวพระตถาคตเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุสาวกมีผ้าได้เพียงสามผืนเท่านั้นคือจีวรสบงและสังคาติผ้าสองชั้นสาหรับห่มหนาว อย่างละผืนอย่างละผืนจะมีมากกว่านี้ไม่ได้จะมีผืนใหม่ต้องสละกผืนเก่าไปทําอย่างอื่นเช่นเป็นผ้าปูลาดเตียงหรือทําเพดานทั้งนี้ไม่ให้ภิกษุสาวกไม่สะสมชีวรไว้เกินความจำเป็นและเป็นสัญลักษณ์แห่งผู้มักน้อยสันโดษอยู่อย่างเบาสบายประพฤตินตนเยี่ยงสกุณามีบาทและชีวรเป็นเสมือนปีกทั้งสองอาจจะโผผินบินไปในเวหาตามต้องการ หรือเมือเนื้อในป่าเที่ยวไปได้ตามปรารถนาไม่ถูกผูกมัดได้บ่วงคือบริขารเครื่องกังวลใดๆแต่พระผู้มีพระภาคทรงเป็นการะนาวสีกบุคคลคือกระทำทุกๆอย่างตามสมควรแก่เหตุผลและความจำเป็นจึงทรงผ่อนผันสิกขาบทบัญญัติอยู่เสมอคราวหนึ่งพระอ น, นุ์ได้จีวรพิเศษที่เรียกว่าอัติเรกจีวรหมายถึงจีวรที่นอกเหนือจากผ้าสามผืนดังกล่าวแล้ว เนื่องจากท่านมีความครบเครื่องสายหลักในภาษารีบุตรมากจึงประสงค์จะถวายจีวร น, นั้นแด่พระสารีบุตรแต่เวลานั้นพระสารีบุตรไมไ่อยู่ณที่นั้นจะเก็บจีวรไว้ได้อย่างไรเพราะมีพระพุทธบัญญัติห้ามเก็บอติเรกจีวรไว้พระอา น, นุ์จึงเข้าเฝ้าพระพุทธองค์กราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบอา น, นุ์เวลานี้สารีบุตรอยู่ที่ไหนอยู่ที่เมืองสาเกตพ ร, ระเจ้าค่ะ ประมาณสักกี่วันสารีบุตรจึงจะมาถึงประมาณสิบวันพระเจ้าค่าถ้าอย่างนั้นเธอจงเก็บไว้เถิดรอคอยสารีบุตรแลแล้วพระพุทธองค์รับสั่งให้ประชุมสงฆ์ทรงพรพันพุทธบัญญัติด้วยพระพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุเก็บอัุเรกจีวรไว้ได้อย่างมากเพียงสิบวันถ้าเกินกว่านั้นจีวรนั้นภิกษุต้องสละเสีย มิฉะนั้นเธอจะต้องอ บ, บัดปาจิตตีเพราะถ้าไม่สละของย่อมไม่สามารถจะปลดเปลื้องอ บ, บัตได้พระสารีบุตรมาทันตามกำหนดก่อนจะล่วงสิบวันเป็นอันว่าพระอนน์ได้ถวายจีวรแก่พระอัครสาวกเบื้องขวาได้สมประสงค์ ปจจุบันนี้พระสงฆ์สาวกของพระาศาสดาก็ยังคงปฏิบัติตามพระวินัยบัญญัติในเรื่องนี้อยู่เมื่อท่านเละจีวรพิเศษมาถ้าล่วงสิบวันแล้วท่านก็สละให้พิสษจน์อื่นไปหรือให้สมณเณรก็ได้และต้องแสดงอบัติด้วยที่เพลอดเก็บจีวรพิเศษไปเกินส10บวนันซึ่งมีวิธีการดังนี้ภิกษุผู้เป็นเจ้าของชีวร น, นำจีวร น, นั้นออกมานั่งคุกเข่าพระนมือ ภิกษุอีกรูปหนึ่งเป็นผู้รับก็นั่งในท่าเดียวกันภิกษุผู้เป็นเจ้าของจีวรวางจีวรไว้ระหว่างแขนพับมือคงประนมอยู่อย่างเดิมกล่าวว่าจีวรผืนนี้ของข้าพเจ้าเก็บไว้เกินสิบวันจำเป็นต้องสละข้าพเจ้าขอสละจีวรผื น, นนี้แก่ท่านเสร็จแล้วตามอนญาตภิกษุผู้รับก็จะถวายคืนโดยกล่าวว่าจีวรผืนนี้เป็นของข้าพเจ้าแล้ว แข้าพเจ้าขอถวายคืนแก่ท่านท่านจะใช้ส้อยหรือจะให้ใครหรือจะทำอย่างไรก็แล้วแต่ท่านเสร็จแล้วก็มอบคืนจีวรแก่ภิกษุรูปที่เป็นเจ้าของเดิมคราวนี้ก็ถึงเวลาที่ภิกษุผู้เป็นเจ้าของจีวรจะแสดงอบัตท่านจะนั่งประนมมือคุกเข่าอยู่ในท่าเดิมกล่าวว่าข้าพเจ้าต้องอบัตเกี่ยวกับของที่ต้องสละข้าพเจ้าขอแสดงอบัตคืนคือยอมรับสารภาพผิด ภิกษุอีกรูปหนึ่งจะถามว่าท่านเห็นหรือภิกษุผู้แสดงอบาบัติตอบว่าเห็นผู้รับการแสดงจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงตั้งใจสํารวจระมัดระวังต่อไปภิกษุผู้แสดงจะให้คำมั่นว่าจะตั้งใจสํารวจระวังต่อไปแต่มีวิธีที่จะเก็บจีวรไว้ได้ตลอดไปโดยไม่เป็นอบาบัติและไม่ต้องเสียสละอยู่อีกวิธีหนึ่งเรียกว่าวิกัป ภิกษุมเม่ได้จีวรพิเศษมาจำนวนเท่าใดก็นําออกมาแสดงให้ภิกษุรูปหนึ่งรับทราบและบอกว่าท่านยินดีเสียสละจีวรและผ้าเหล่านี้ให้แก่ภิกษุอื่นได้ใช้สอยตามต้องการตามทางวิชาการเรียกว่าวิกัปหมายความว่าทําให้เป็นของสองเจ้าของคือไม่ใช่เป็นสิทธิของท่านแต่เพียงผู้เดียวภิกษุอื่นจะรับทราบและมอบให้เจของเดิมเก็บไว้ใช้ได้ตลอดไป นับว่าเป็นวิธีการที่งดงามมากไม่มีอะไรที่น่าตำหนิเลยพระพุทธะอนุชาได้ทิ้งมรดกเรื่องนี้ไว้ให้พิสุทั้งหลายในการต่อมาได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลช่วยให้สะดวกสบายขึ้นมากทีเดียวควรที่ปัจชิมาชนตาชนจะพึงระลึกถึงปภูประการข้อนี้ของพระอ น, นุมหาเถระแม้กระหด ก็ควรน้อมระลึกถึงพระคุณข้อนี้ของพุทธานุชาที่ท่านได้เปิดประตูไว้สําหรับผู้มีศรัทธาได้ทำบุญด้วยจีวรตามปรารถนาตราบเท่าทุกวันนี้การที่พระตถาคตเจ้าทรงพุทธานุญาตเรื่องนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะประมหากรุณาและอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะความดีงามของพระอนนุ์ที่กระทาทุกอย่างเพื่อพระพุทธองค์และเพื่อความยั่งยืนอยู่แห่งพระพุทธศาสนา คุณธรรมของผู้น้อยเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งในการโน้มน้าวจิตใจของผู้ใหญ่ให้โอนอ่อนผ่อนตามสมแล้วที่มีคํากล่าวว่าเอาชนะผู้สูงศักดิ์ด้วยความอ่อนน้อมเอาชนะผู้ต่ําต้อยด้วยการสงเคราะเอื้อเฟือ้อเอาชนะศัตรูด้วยการยุคให้แตกสามัคคีเอาชนะสตรีด้วยการหว่านล้อมคําหวานให้เกิดความสงสารและเห็นใจพร้อมด้วยคํามั่นสัญญาที่ชวนฟัง ความรักของสตรีนั้นมักจะเข้าทางหูส่วนความรักของบุรุษมักจะเข้าทางตา้วยเหตุนี้สตรีที่รูปงามจึงได้เปรียบอยู่มากในด้านการเรียกร้องความสนใจจากบุรุษเพศคำที่กล่าวว่านกโกลิกามีเสียงเป็นสำคัญนารีมีรูปเป็นสำคัญวิชาเป็นสิ่งสำคัญสาหรับบุรุษและนักพรตมีความอดทนเป็นสาคัญนั้น ยังเป็นความจริงที่ค้านได้ยากด้วยเหตุนี้กระมังสตรีทั้งหลายจึงทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังปัญญาเพื่อตกแต่งร่างกายให้สวยงามชวนมองอยู่เสมอรวมทั้งประดิษฐ์คิดค้นแบบและสีของเสือ้อแพรพันศ์ีลาพอดต่างชนิดเธอจะรู้สึกเศร้าและหงอยเหงาเปล่าเปลี่ยวเมื่อประจักษ์ว่าในตาของเธอไม่ได้หวานใบหน้าของเธอไม่ได้งาม สวดส่งพีไ่ได้อลชรแต่เธอหาเฉลียวใจไม่ว่าชายที่ปองหมายเธอนั้นจะเลี้ยงเธอเพราะความสวยเขาเลี้ยงเธอและปองหมายเธอเหมือนสัตว์เลี้ยงที่มีลักษณะต้องตาเขาเท่านั้นความดีหรือคุณธรรมภายในต่างหากเล่าเป็นสิ่งที่เชิดชูคุณค่าและความดีของเธอให้สูงส่งโสเพนีแม้ว่าจะมีความงามสวยสักปานใดแต่ก็หาใครเลี้ยงจริงไม่ ความสวยเหมือนดอกไม้ซึ่งย่อมมีวันที่จะเหี่ยวแห้งโรยราแต่ความดีเป็นสิ่งไม่จืดรถแห่งความดีงามเป็นรถที่ไม่รู้จักจืดจางคอยผูกมัดเรื่องรัดดวงจิตของชายให้กระชับแน่นจนสุดที่จะถ่ายทอนจงแต่งเรือนกายแต่พองามแล้วเอาเวลาที่เหลือมาแต่งเรือนใจกันบ้างเถิดบ้านเรือนที่ดูแต่ภายนอกสะอาดงามน่าอยู่อาศัยแต่ว่า เมื่อเปิดประตูเข้าไปภายในมองเห็นแต่สิ่งโสโครรุงรังจะน่าพักผ่อนหลับนอนไฉนตรงข้ามแม้ถมองดูภายนอกไม่สะุดตาแต่ว่าภายในสะอาดเรียบร้อยย่อมเป็นเรือนที่นายอยู่อาศัยฉันใดเรือนกายและเรือนใจก็ฉันนั้นบุรุษผู้ปล่อยให้ความรักเข้าทางตาย่อมตาบอดและยังทําให้หูพลอยหนวกไปด้วย มองไม่เห็นเจตนาดีของเพื่อนสนิทไม่ได้ยินเสียงของมิสหายเมื่อเขาลืมตาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ามักจะมองเห็นเทพดิดาของเขาแปล ร, รูปเป็นยักษ์ศรีไปเสียแล้ว ส่วนสตรีที่ปล่อยให้ความรักเขาทางหูหูของเธอก็หนวกไปสิ้นสลับญาติรลอมิตรปวงดีเธอได้ยินแต่เสียงที่พร่ำลำพันสัญญาต่างๆแห่งชายที่ตนหลงเท่านั้นตาของเธอก็พลอยฝ้าฝางไปด้วยเธอหารู้ไม่ว่าผู้ที่มีความสุจริตใจน้อยมักจะมั่งข้างร่ำรวยและมากไปด้วยคำหวานแต่ว่าผู้ที่พอประมาณพูดพอประมาณพอฟัง นั่นต่างหากที่มีความสุดจริตใจอยู่จริงๆทาาคนเป็นทาาที่แยกได้ยากวินิจฉัยได้ยากยากกว่าทาาใดๆในโลกนี้มีคนเป็นจำนวนมากที่อยากจะเรียนรู้เรื่องชีวิตให้จบแต่ว่าเขาเหล่านั้นมักจะจบชีวิตไปเสก่อนเสมอชีวิตเป็นเรื่องยากและสับสนพระพุทธองค์จึงตรัสว่าชีวิตเป็นของยาก ผู้สามารถสร้างความยุ่งยากแห่งชีวิตให้เข้าระเบียบได้มีอยู่เป็นจำนวนน้อยกล่าวโดยเฉพาะชีวิตของมนุษย์ยิ่งยุ่งยากสับสนขึ้นทุกทีมนุษย์ยอมเป็นทาสสังคมจนแทบจะกระดิกกระเดียตัวไม่ได้เสียแล้วเมื่อยอมเป็นทาสของสังคมและสังคมนั้นมีแต่ความฟุ้งเฟ้อหรูหราความหรูหราเหล่านั้นย่อมได้มาด้วยเงินเขาจึงต้องยอมเป็นทาสของเงินตราอีกด้วย เงินตรานั้นโดยธรรมดาเป็นาทาตทั้งซื่อและงโง่แล้วแต่ว่าจะใช้ใทำอะไรมันทำทั้งนั้นใช้ให้ทำดีก็ทำใช้ให้ทำชั่วก็ทำจ้างให้ไปฆ่าคนก็ไปอีกโดยไม่มีการขัดขันโต้แยง้งใดๆเมื่อเงินตราเป็นทั้งาทาตทั้งซื่อและงโง่อย่างนี้ใครยอมให้าทาตุคนนั้นมาเป็นนายยอมอยู่ใต้อำนาจของมันเขาจะงโง่สัต์ปานใด พัฒนาขุเจ้าเคยตรัสเรียกเงินตราว่าอสอรพิษดังมีเรื่องต่อไปนี้ท้องฟ้าเริ่มสาง แสงสีขาวสาทาาเป็นแนวยาวทางบุรพาทิตย์อากาศแรกรุ่งอรุณเย็นช่ำพระพายลำเพลยแผ่วหอบเอากลิ่นบุปผาชิในเชนตวนารามไปตามกระแส ร, รวยระเรื่นเสียงไก่ป่าขันอยูดเจือแจ้วเคล้าวมาตามสายลมวีเวกวางเวงน้ำค้างถูกสลัดลงจากใบไม้เมื่อพระพายพัดผ่านกระทบกับใบไม้เหลือง ซึ่งหลนร่วงลงแล้วดังปอแปะเชตวนารามเวลานีตื่นแล้วจากความหลับประหนึ่งบุรุษผู้มีกําลังตื่นแล้วจากนิตรารมแต่ยังนอนเฉยอยู่ไม่ไหวกายพระมหาสมณะเอกอัครบุรุษรัตอุดมด้วยบุญญาธิการและพระมหากรุณาต่อสรรพสัตว์ประทับหลับพระเนตรนิ่ง ทรงคายคือพระยานให้แผ่ไปทั่วจั ก, กรวาลโลกธาตุเพื่อตรวจดูอุปนิสัยแห่งเวนยสัตว์อันพระองค์พอจะโปรดได้เช้าวันนั้นชาวนาผู้นาสงสารได้เข้ามาสู่คายคือพระยานของพระองค์พ อ, อรุนเบิกฟ้าพระาศาสดามีพระพุทธอุชาอานน์เป็นปัจฉาสมณะตามเสด็จออกจากเชตวนารามโดยพุทธลีลาอันประเสริฐ บ่ายพระพักสู่บริเวณนาของบุรุษผู้นาสงสารคนนั้นอีกมุมหนึ่งเกษตรกรผู้ยากไร้ตื่นขึ้นแล้วแต่เช้าตรู่บริโภคอาหารซึ่งมีแต่เพียงผักดองและข้าวแดงพอประทังหิวแล้วนำโคคู่ออกจากคอกแบกไถถือหม้อน้ำออกจากบ้านสู่บริเวณนาเช่นเดียวกันพระตถาคตเจ้าจุดยืยนอยู่นะักใกล้ๆที่เขากาลังไถนาอยู่นั้น เขาเห็นพระศาสดาและก็พรภักไถมาถวายบังคมพระพุทธองค์พระศาสดาไม่ได้ตรัสถามอะไรกับเขาเลยกลับเลี้ยวพระพักไปอีกด้านหนึ่งทอดทศนาการตรงดิ่งไปยังจุดจุดหนึ่งแล้วตรัสกับพระอนุนว่ า, อ, านอนุนนั่นอสสรพิษเธอเห็นไหมเห็นพระเจ้าข่าพระอนุนทูลเพียงเท่านั้น แล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จต่อไปชาวนาได้ยินพระพุทธดำรัสตรัสกับพระอานน์ดังนั้นคิดว่าเราเดินไปเดินมาบริเวณนี้เสมอถ้าสรพิษมีอยู่มันอาจจะทำอันตรายแก่เราอย่าปล่อยมันไว้เลยฆ่ามันเสียเถิดคิดแล้วก็นำประตักไปเพื่อตีงูกลับมองไม่เห็นงูแต่ไ่เห็นถุงเงินเป็นจำนวนมาก วางกองรวมกันอยู่เขาดีใจเหลือเกินเขายกมือขึ้นเหนือเสียนน้อมนมันส ก, การพระพุทธองค์ที่โปรดประทานกลุ่มทรัพย์ให้นี่หรืออสรพิษเขาคิดอยู่ในใจพระพุทธองค์กลัสเป็นปิศนาแบบสมณะเท่านั้นเองแต่ว่าที่แท้พระองค์คงตั้งเพื่อไทยเสด็จมาเพื่อโปรดเราแล้วเขาก็นําถุงเงินนั้นไปเอาฝุ่นกลบไว้ไถนาต่อไปได้วยดวงใจที่เบิกบาน พระสากยามุนีเมื่อคล้อยไปหน่อยหนึ่งจึงผินพระพักมาตรัสกับพระอนน์ว่าอานน์เราเรียกถุงเงินนั้นว่าอสรพิษวันนี้เองมันจะกัดบุรุษผู้นั้นให้มีอาการสาหัสปางตายหากว่าไม่ได้เราเป็นที่พึ่งเป็นพยานเขาจะต้องตายเป็นแน่แท้ตรัส ด, ดังนี้แล้วไม่ยอมตรัสอะไรอีกต่อไป หลังไปเพียงเล็กน้อยจากเวลาที่พระศาสดาตรัสกับพระอ น, นุ์เรื่องอสารพิษปัจมยามเหงาตรีฝนถึงตกหนักมาตั้แต่ปฐมยามได้เริ่มสางซาหลงบ้างแล้วถ้วยนาครกํำลังร่วงกระสู่นิทรารมอันสนิทใครจะนึกบ้างว่าในยามนี้มีมนุษย์ยุกลุ่มหนึ่งกำลังทำความพยายามเข้าไปสู่พระนครเพื่อทรัพย์สมบัติซึ่งตนไม่ได้ลงทุนหามาเลยถูกแล้ว เขามีอาชีพเป็นโจรประตูเมืองปิดสนิทยามรักษาการแข็งแรงเขาประชุมปรึกษากันตั้งแต่วันมยามว่าจะหาทางเข้าพระนครได้โดวยวิธีใดในที่สุดเมื่อใกล้ปิมยามเข้ามาเขาจึงตกลงกันว่าจะต้องเข้าไปนในทางท่อระบายน้ําคืนนั้นพวกเขาไม่ได้นอนเลย